จึงอยู่บารมีมีทานเป็นต้นเว้นจากการเห็นโทษของความโลภเป็นต้นและจากความยิ่งยวดของอะโลภะเป็นต้นย่อมไม่มีเพราะความเป็นผู้มีจิตน้อมไปในบริจาคเป็นต้นด้วยความยิ่งยวดของอะโลภะเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยไม่โลภอธิบายเป็นสรุปเป็นนยะว่า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 บางคนฉลาดคิดอีกนิดหนึ่งเขาบอกว่าเข้าเพื่อจะออกเพรางั้นนะที่เขาหาหาทุกวันนี่ก็เพื่อหาเพื่อจะให้เสร็จแล้วว่างๆก็าามาบอกเอ้มมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่างั้นพร้อมจะให้ทีก็ลำบากไกทีก็ว่าเอ๊มหาเพื่อจะให้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่างั้นตอนสรุปทบทวนว่าจะต้องมีอัธยาศัยเห็นโทษของความโลภน้อมไปเพื่อจะให้เนี่ยนะ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 คือมันก็แปลกว่าในโลกเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งเอาเข้ายิ่งเอาเข้าเหมือนกับสำนวนแบบว่ากินปูนอ่ะนะถ้ากินปูนเนี่ยถ้ากินไปมากมากมากมากมากมากเดิมแต่น้ำปูนกินปูนเดิมน้ําปูนกินปูนเนี่ยนะดื่มดื่มดดืมสักพันล้านปีนี่จะเป็นยังไงเป็นยังไงเดือดร้อนมากเลยใช่ไหมโอ้ยเราดื่มมานานกว่า น, นั้นอีกดื่มโลภามันานไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วใช่ไหมท่านจึงเร่าร้อนอยู่ได้ไปให้นั่งนิ่งๆเอานิ่งๆยี่สิบนาทียังมีความสุขยาก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 อัธยาศัยเช่อนอัธยาศัยในทานนั่นแหละจึงเป็นตัดใจให้ให้มีการให้ทานเนื่องจากมีอัธยาศัยในการรักษาศีล น, นี่แหละจึงมีการรักษาศีลเนืน่องจากมีอัธยาศัยในการฟังธรรมนั่นแหละจึงจึงฟังธรรมสรุปว่ามีอัธยาศัยในบารมีสิบพูดแบบภาษาไทยเรียกว่ามีใจกับเรื่องนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะพอได้เชื้อปั๊บก็ไปเลยเนี่ยนะเหมือนกันคือใจเนี่จะให้อยู่แล้วพอได้พอพ อ, พอได้เหตุการณ์พอจะให้ปับ๊บ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 นนะเห็นโทษของความตระหนี่ตระหนี่นี่คืออะไรมัจฉรยะเนี่ยนะมัจเฉรินะก็คือตรนีตรนีก็คือบอกว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์จงเป็นแต่ของเราแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องการให้สิ่งที่น่าอัศจรรย์อันเนี้ยเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นอัศจรรย์ในความคิดของเขานะอ่ะนะที่จริงอาจจะอาจจะไม่ได้อัศจรรย์จริงอะไรหรอกแต่ว่ามีความสําคัญว่าสิ่งนั้นมันน่าอัศจรรย์มากสาหรับเขาแผ่ไม่ได้ให้ไม่ได้ขายไม่ได้นีนะ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 เอ้ ه, คนนี้ไม่น่าจะมีฐานะได้ยังไงว่า ง, างั้นดูนีสายตนีแล้วเกินแต่จริงๆอ่ะใช่ในสายตาของบางคนนี่เขาตนีกับบางฉากนี่เขาดูเรียกว่าสุดยอดของคนตนีแต่จริงๆแล้วอ่ะนักให้นี่นะเป็นผู้ที่เรียกว่าให้คนอื่นให้เปรียบไม่ได้ในโลกนี้ใครตนีที่สุดอ่ ะ, อะที่ผ่านมานะว่าถ้าเป็นฝรั่งเลยโรลล็ลกกีเฟลเลอร์เนี่ยนะ โอ้ยขี้เหนียวที่สุดแต่ว่าเชื่อบริจาคมากกับเพื่อนเนี่ยนะบริจาคแทบหมดตัวเลยนะให้ให้เรื่องให้แทบจะหมดตัวเลยเรือเลซ้ำไปเพราะฉะนั้นคนที่เรียกว่ามีมีจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นคนตรหนี่อะไรหรอกเนี่ยนะแต่ว่าบางภาพเนี่ยดูเหมือนตรหนี่เนี่ยนะแต่ว่าไอ้ควาว่าตรหนี่กับว่าใช้ทรัพย์เป็นนี่คนละอย่างกันคนไปมองคนใช้ทรัพย์เป็นว่าตรหนี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นปัญหาอันหนึ่งตอนนี้ก็บอกว่าโอ้ยคนนั้นเขา ก, าก็คนมีคนมีแต่ตรหนี่เหลือเกิน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 เอาไปทาเสียหายอย่างอื่นอีกมากมายเพราะมันมีบุญพอที่จะรักษาได้เท่านี้ไม่ใช่เสียได้เนี่ยนะบางคนเขาเป็นในลักษณะนั้นเพราะคําว่าตระนี่นี่ต้องแยกให้เป็นว่าแค่ไหนเรียกว่าตนี่ขณะแค่ไหนจึงเรียกว่าให้ทานเนี่ยนะเป็นต้นเพราะคำว่าตรนี่กับคําว่าประหยัดเป็นต้นเนี่ยดูจากใกล้ๆกันแต่ว่าดูที่ไหนก็ดูกันที่เจตนาเนี่ยนะว่าถ้าตรนี่ลักษณะว่าขอความอัศจรรย์นี้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 ที่สุดถ้าเป็นนักฆ่าเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นนักเรียกว่าโหกอบโกยโกงเนี่ยนะเรียกว่าโกงโกงที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยนะอัินนาธานหยิบฉวยที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าใช้ชีวิตอย่างเงี้ยตลอดไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรียกว่าไม่ละไม่เวเ้นแม้กระทั่งว่าลูกใครเมียใครเป็นต้นไม่สนใจไม่ละไม่เว้นเลยเนี่ยนะนชีวิตข้างหน้าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเป็นผู้ที่อะไรนะ ไม่เคยพูดความจริงแม้แต่คําเดียวเขามีอยู่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศคนหนึ่งเป็นคนที่หลอกตัวเองจนจําชื่อจริงตัวเองไม่ได้ไปเรียกว่าไปคบคนนี้ก็หลอกไปบอกว่าตัวเองนี่ชื่ออย่างนี้ยังงี้ฐานะตําแหน่งยังยงี้เกี่ยวข้องปลอกรอกหมดทรัพย์ไปก็นี้ไปคบคนอื่นอีกพอคบคนอื่นก็บอกชื่อใหม่ไปเรื่อยไปเรื่อยไ เ, ยไเยจนถูกจับในที่สุดเนี่ยนะ เขมีฟ้องร้องนะเขาบอกว่าเอ้ยไม่รู้ว่ามันจะจําชื่อเก่ามันได้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะมันเปลี่ยนชื่อมาตลอดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไม่รู้จะจําธาตุแท้ของตัวเองได้แค่ไหนไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะจ๊ะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ต่างประเทศคนหนึ่งแล้วก็ในที่สุดตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกจับอีกครั้งหนึ่งเพราะมันมันโกงคนอื่นทั้งโกงทั้งหลอกอ น, นะคือศีลห้าไม่มีเหลือไม่แต่ข้อเดียวศีลห้าเนี่ยนะทั้งตาณาติบาตอาทินนาทานมันก็ไปหลอกเบียชาวบ้านเขานั่นแหละ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 หรือเป็นคนแหมรักเดียวใจเดียวมาตลอดเวลาหันหน้าไปหาคนอื่นแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเสียหายเสียประวัติอีกเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่าเป็นคนพูดจริงมาตลอดพูดโกหกครั้งเดียวเสียหายแล้วหรือเป็นคนไม่เคยแตะสุรามอะเมาคลานครั้งเดียวแค่นั้นเสียประวัติตลอดไปเนี่ยนะทั้นสรุปว่าเสียสินเนี่ยมันเสียหายเสียหายทั้งโลกนี้เสียหายทั้งโลกหน้าเห็นโทษเลยว่าทุตินเนี่ยมันเสียหายอย่างไรเสียหายแก่ตนอย่างไรเสียหายแก่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 หรือถ้าถ้ามีการครองเรือนเนี่ยนะโทษของการครองเรือนนี่อะไรจะเกิดขึ้นโทษแห่งการครองเรือนเขาบอกว่าคุณธรรมทั้งหลายโดยมากมีแก่ผู้ครองเรือนหรือมีแก่นักบวชในเงี้ยทีนีถ้ถามว่าแล้วท่านต้องการอะไรท่านต้องการคุณธรรมถ้าถ้ามีการครองเรือนเนี่ยนะจะสร้างคุณธรรมได้อย่างไรถือว่ายากมากเนี่ยนะยาก